วิธีทาใจเมื่อสามีจากไปกะทันหันถามช่วยแนะวิธีคิดและการทำใจที่จะไม่ทำให้ทุกข์มากจากการต้องเสียสามีไปอย่างกะทันหันทุกวันนี้ยังไม่อยากเชื่อว่าเขาจากเราไปแล้วแม้พยายามคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่ยังมีบางครั้งทำใจไม่ได้ มีความคิดว่าเขาไม่น่าอายุสั้นแค่นี้เลยตอบการที่เราไม่คิดไว้ล่วงหน้าหรือไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยด้วยความประมาทได้ไวนั่นแหละคือต้นเหตุของการทำใจได้ยากเมื่อต้องจากกันอย่างกระทันหันจริงๆนี่เป็นเรื่องที่คุณอาจต้องแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุ สิ่งที่ทําได้ในตอนนี้ไม่ใช่การเตรียมใจแต่เป็นการแก้ปมทางใจและเป็นปมที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเสียด้วยเนื่องจากเราเคยรู้เคยอ่านเคยฟังธรรมะมาไม่ใช่น้อยๆจึงอาจเกิดอาการดื้อยาเสแล้วจุดนี้อยากให้คุณเลิกหาอุบายเลิกหาธรรมะปลอบใจแต่ให้สังเกตยอย่างตรงไปตรงมา ว่าลมหายใจเข้านี้ใช่ไหมที่เลี้ยงชีวิตให้รอดไปอีกครั้งหนึ่งถามตัวเองว่าลมหายใจออกนี้ใช่ไหมที่บรรเทาความอัดอั้นไม่ให้จุก อ, อกตายไปอีกเพลือกหนึ่งเมื่อเห็นเข้ามาถึงการมีชีวิตจริงๆในลมหายใจปัจจุบันนี้ได้คุณจะสามารถทำความเห็นได้ตามจริงว่าชีวิตเป็นของเปราะบางแม้ตัวคุณเอง ก็อาจแตกดับภายในเวลาไม่กี่นาทีขอเพียงไม่มีลมหายใจเข้าออกเราจะไม่เห็นความสำคัญของเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตกระทั่งถูกเรียกเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตไปเราจะไม่สนใจว่าลมหายใจสั้นหรือยาวมีหรือไม่มีตราบเท่าที่เราไม่ถูกนำไปขังไว้ในที่ที่หายใจลำบาก หรือไม่มีอากาศให้หายใจเลยหากเกิดข้อสังเกตตามจริงในวินาทีปัจจุบันคุณจะรู้สึกปล่อยวางกับการมีหรือไม่มีชีวิตของตนเองลงได้บ้างยิ่งสังเกตมากก็ยิ่งปล่อยวางได้มากเมื่อปล่อยวางได้กระทั่งการมีหรือไม่มีชีวิตของตัวเองคุณจะมองออกไปข้างนอกและปล่อยวางการมี หรือไม่มีชีวิตของคนอื่นได้ง่ายขึ้นข้ออ้างที่ว่าเขาตายก่อนวัยอันควรเป็นแค่ความเข้าใจผิดผิดหลงอุปาทานหลงทึกทักเอาว่าทุกคนต้องตายตอนแก่ความตายจะมาในเวลาอันควรเสมอวิบากกรรมเขารู้เวลาของเขาดีและไม่ยอมให้กูรผัดผ่อนเพียงด้วยการวิงวอน เช่นคุณไม่รู้และเคยไม่เตรียมใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาเลยนะความตายสามีจากไปแล้วอย่างกระทั a หันที่เหลือก็ต้องเตรียมใจให้เป็นกุศลเผื่อวันนี้จะเป็นวันกระทัน n หันของคุณเองบ้างการมีจิตเศร้าหมองไม่ช่วยให้คนตายกลับมาและไม่ได้ช่วยคนเป็นเตรียมตัวอย่างถูกต้อง หากมาถึงความเข้าใจตรงนี้ลึกซึ้งพอความตายของใครๆแม้เราเองก็จะไม่ก่อให้เกิดความซ่รา้อยเปล่าได้เลยครับ